ความเป็นมาของพุทธสาวิกาภิกษุณีหนึ่งในพุทธบริษัทสี่เป็นบริษัทที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้สตรีเข้ามาบวชเป็นบรรพชิตเพราะทรงเห็นว่าจะเป็นการเปิดโอกาสให้สตรีบรรลุได้เช่นเดียวกับชายแต่ก็ทรงอนุญาตอย่างระมัดระวังยิ่งเนื่องจากฐานะของสตรีสมัยนั้นต่ำต้อยมากในสังคมพราหมณ์ และเหล่าอัญญาตเดียวฤีทั้งหลายการบวชเป็นภิกษุณีได้รับการยอมรับจากสตรีครั้งพุทธการทุกชนชั้นวันนะเมื่อบวชแล้วชั้นวันนะที่เคยมีความสำคัญก็มาลายไปสังเกตได้จากไม่มีพุทธบัญญัติห้ามดูหมิ่นกันเรื่องชนชั้นวันนะเป็นการยกระดับชีวิตสตรีขึ้นอย่างแยบยนต์ให้เห็นว่าธรรมะนั้นสาคัญกว่าภาวะเพศ ทำให้มีสตรีเข้ามาบวชมากจนที่พักไม่เพียงพอต้องควบคุมให้ประวัตินีแต่ละท่านบวชสิคมนาเป็นภิกษุณีได้เพียงปีเว้นปีและบวชให้ได้ครั้งละหนึ่งรูปหลังทรงอนุ ญ, ญาตให้พระนางมหาประชาบดีโคตมีบวช ด, ด้วยครุธรรมแปดแล้วครุธธรรมนั่นแหละเป็นแบบแผนการประพฤตินตนของภิกษุณีทั้งหลาย เพราะแต่ละข้อนั้นทรงย้ำไว้ตอนสุดท้ายทุกข้อว่าภิกษุณีต้องสักการะเคารพนับถือบูชาไม่ละเมิดตลอดชีวิตในฝ่ายภิกษุพระพุทธเจ้าทรงประกาศยกย่องว่ามีภิกษุเอตตทักคะอยู่41รูปแต่ละฝ่ายภิกษุณีทรงประกาศแต่งตั้งเป็นเอตะทักคะเพียง13รูปมีพระมหาปชาบดีโคตมีเป็นต้น และใช่ว่าภิกษุณีที่ไม่ได้เป็นเอตทัคคะจะไม่มีความรู้ความสามารถหรือคุณวิเศษต่างๆก็หาไม่ต่างแต่เพียงว่าท่านเหล่านั้นมีได้ตั้งความปรารถนาและสั่งสมบุญญาธิการไว้เหมือนท่านที่เป็นภิกษุณีเอตัทัคคะเท่านั้นหนังสือเล่มนี้แสดงประวัติภิกษุณีเป็นสองกลุ่มคือหนึ่ง ภิกษุณีผู้เป็นเอตทักคะจำนวน13รูปแสดงประวัติตั้งแต่ครั้งเริ่มตั้งความปรารถนาการบําเพ็ญบารมีจนถึงพบชาติสุดท้ายที่ได้บรรลุพระอรหันต์เป็นภิกษุณีมหาสาวิกาสองภิกษุณีที่ไม่ได้เป็นเอตทักฆะจานวน27รูปแสดงประวัติเฉพาะพบชาติสุดท้ายคือปัจจุบันชาต เริ่มแต่การเกิดในสกุลการฟังธรรมมีศรัทธาออกบวชและได้บรรลุพระอรหันต์เป็นภิกษุณีสาวิกาโดยนำข้อมูลมาจากเทรีคถาเท่านั้นโดยคัดเลือกมา27รูปรวมเป็น40พิภิกษุณีพระอรหันต์หนังสือ40ิภิกษุณีพระอรหันต์เกิดขึ้นในบรรณภิภ พ, พ เนื่องมาจากธรรมสภาและสถาบันบลือธรรมได้จัดพิมพ์หนังสือเรื่อง80พระอรหันต์โดยการเรียบเรียงและรวบรวมของอาจารย์ปัญญาใช้บางอย่างได้รับความสนใจจากพุทธศาสนิกชนเป็นอย่างมากหลายท่านได้สอบถามและแนะนำให้ธรรมสภาและสถาบันบลือธรรมรวบรวมเล่มจัดพิมพ์ประวัติความเป็นมา และการบรรลุธรรมของพระภิกษุณีเพราะเป็นที่สนใจใคร้รู้ของพุทธศาสนิกชนธรรมสภาและสถาบันบรเลือธรรมจึงได้ดําเนินการรวบรวมและเรียบเรียงประวัติพระภิกษุณีที่บรรลุอรหันต์โดยขอร้องให้อาจารย์ปัญญาใช้บางอย่างได้เรียบเรียงและรวบรวมประวัติและคําสอนของพระภิกษุณีขึ้น โดยตั้งชื่อหนังสือเล่มนี้ว่า40ภิษุณีพระอรหันต์ชีวประวัติและคําสอนของพุทธสาวิกาสมัยพุทธกาลคณะผู้จัดท ร, ร ม, มีความปรารถนาและมุ่งหมายว่าการเรียบเรียงนี้จะกระทําให้พุทธศาสนิกชนได้ความรู้ความเข้าใจในวิถีกรรมวิถีชีวิตและวิถีธรรมของพระพิกษุณีทั้งหลาย ทำให้เกิดศรัทธาเลื่อมใสในความคิดเห็นและการปฏิบัติตนของท่านเหล่านั้นเกิดความปรารถนาและความเพียรพยายามที่จะประพฤติกุศ ล, ลกรรมทั้งหลายเชกเช่นเดียวกับท่านอีกทั้งเป็นผู้ใกล้ในการศึกษาค้นคว้าพระไตรปิฎกและอัิกถาด้วยตัวเองบุญกุศลอันจักบังเกิดจากการจัดพิมพ์หนังสือ40 ภิกษุณีพระอระหันเรื่องนี้ธรรมสภาและสถาบันบลืดธรรมขอน้อมถวายแด่องค์สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกพระผู้เป็นประมุขแห่งสงฆ์และเป็นที่พึ่งของลาวพุทธบริษัททั้งหลายที่สุดนี้คณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความเมตตาแนะนาชี้แนะ และบอกกล่าวหากพบความผิดพลาดในหนังสือเล่มนี้ขอกุศลแห่งความเพียรพยายามนี้จงอำานวยผลให้ผู้ศึกษาพระพุทธศาสนาเกิดสติปัญญาภัยบู์และความยั่งยืนมั่นคงเกิดกับพระพุทธศาสนาตลอดกาลนานด้วยความสุดจริตหวังดีธรรมสภาปรารถนาให้โลกพบกับความสงบสุข สี่สิบภิกษุณีพระอรหันต์ก่อนจะมีพระภิกษุณีหลังจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วทรงโปรดพระปัญจวัคคีแล้วเสด็จจำพรรษาที่ป่าอิสิปตนะ ม, มฤคทายวันเขตกรุงพาราณสีแคว้นกาสีขณะนั้นยังไม่ได้ทรงบัญญัติให้ภิกษุต้องอยู่จำพรรษาตลอดสามเดือนแห่งฤดูฝน จากนั้นสเสด็จจาริกโปรดบุคคลต่างๆทรงรับพระราชะอุทยานเวลุวันเขตกรุงรัชคลืแคว้นมคธอันพระเจ้าพิมพิสารน้อมถวายให้เป็นที่พำนักของพระพุทธเจ้าและภิกษุสงฆ์พระเจ้าสุดโทธนะผู้เป็นพระพุทธบิดาทรงได้สดับข่าวการตรัสรู้นั้นตามลำดับ ทรงประสงค์จะให้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จนิวัตรพระนครกบิลพัทจึงทรงส่งอมสาตไปยังกรุงรัชครืเพื่อกราบทูลเชิญเสด็จซึ่งขนะดนั้นมีระยะทางห่างกัน60โยชโยแต่อมาที่ทรงส่งไปจำนวน9้าครั้งครั้งละหนึ่งคนพร้อมด้วยคนติดตามครั้งละ 1,000 พันคนจึงรวมเป็น909คน ทั้งหมดได้ฟังธรรมแล้วกราบทูลขอบวชและบรรลุเป็นพระอรหันต์ทั้งสิ้นแต่ไม่มีใครกราบทูล น, นิมนต์ตามคำของพระราชาเลยในครั้งที่สิบทรงส่งกาลุธายีอมาตผู้เป็นสหชาติคือเกิดวันเดียวกับพระพุทธเจ้าและเป็นเพื่อนเล่นกันในวัยเด็กไปพร้อมกับคนติดตามอีกหนึ่งพันคน ก่อนไปกาลุทายีได้กราบทูลขอโอกาสบวชไว้ล่วงหน้าด้วยเมื่อท่านถึงกรุงราชคฤึ่ก็ได้เข้าเฝ้าฟังธรรมทูลขอบวชและได้บรรลุพระอรหันต์เช่นเดียวกับคนติดตามและได้กราบทูลตามคำของพระราชาอธิกถาว่าธรรมดาของพระอรหันต์ทั้งหลายจะเป็นผู้พูดน้อยประหยัดคำพูดคําจา พวกท่านจิงนิ่งไม่ทูลเชิญเสด็จให้พระราชาครั้พนพลดูฝนเข้าสู่วสันตาลุดูคือใบไม้เปลืพระพุทธเจ้าเสด็จสู่พระนครกาบิละพัดพร้อมด้วยภิกษุสงประมาณสองหม0รูปครั้งนั้นพระเจ้าสกยยทรงประชุมกันพิจารณาสถานที่ประทับของพระพุทธเจ้าก็กำหนดเอาอารามของเจ้าสกยะ ชื่อนิโครธซึ่งน่ารื่นรมโดยซ่อมแซมให้พร้อมทุกอย่างเพื่อรองรับพระพุทธเจ้าและพระภิกษุสงฆ์ทั้งหมดทรงเข้าพำนักแล้วทรงแสดงธรรมในสมาคมพระประยุรยาตต่อมาพวกเจ้าสกยะมีท่านพระอนนท์เป็นต้นออกบวชท่านว่าครั้งนั้นมีพวกเจ้าสกยะนมโมนละทิ้งภรรยาออกบวชถึงห้าร้อคน รุ่งเช้าได้เสด็จบินทบาทในกรุงกบิลพัทประชาชนต่างแตกตื่นว่าพระสิทธะราชกุมารเที่ยวขอก้อนข้าวพระนางพิมพาทอดพระเนตรเห็นการเสด็จนั้นแล้วทูลให้พระราชาทรงทราบ พ, พระเจ้าสุดโททนะทรงทราบแล้วทรงรีบเสด็จออกพบแล้วตรัสถามว่าเพราะเหตุไรพระองค์จึงทรงทาให้หม่อมชั้นได้รับความอับอาย ทำไมจึงเที่ยวขอก้อนข้าวชาวบ้านเล่าในราชสำนักมีอาหารไม่เพียงพอหรือตรัสตอบว่ามหาบอบพีธนี่เป็นการประพฤติตามวงของอาตมภาพเป็นวงของพระพุทธเจ้าทั้งหลายมิใช่วงของกษัตริย์เพราะพระพุทธเจ้าทั้งหลายทรงสำเร็จการเลี้ยงพระชนด้วยการเที่ยวไปเพื่อภิกษาเท่านั้นแล้วตรัสว่า บุคคลไม่ควรประมาทในก้อนข้าวที่ตนรับพึงประพฤติธรรมให้สุดจริตผู้ประพฤติธรรมเป็นปกติย่อมอยู่เป็นสุขทั้งในโลกนี้และโลกหน้าจบพระคาถานี้พระราชาบรรลุเป็นพระโสดาบันรัสอีกว่าบุคคลควรประพฤติสุดจริตไม่พึงประพฤติธรรมให้ทุจริตผู้ประพฤติธรรมเป็นปกติ ย่อมอยู่เป็นสุขทั้งในโลกนี้และโลกหน้าจบพระคถานี้พระราชาบรรลุเป็นพระสกทาคามีและทรงรับบาทเสด็จนำพระพุทธเจ้าและภิกษุสงขึ้นสู่ปราสาทเพื่อเสวยพัดแต่อัตถกถาธรรมบทแสดงไว้ว่าพระราชาบรรลุโสดาปติผลอย่างเดียวต่อมาทรงสดับมหาธรรมปาลักชาดก ก็ทรงบรรลุเป็นพระอนาคามีครั้นสมัยใกล้สวรรคตก็ทรงทำให้แจ้งพระอรหันต์เป็นพระอรหันต์แล้วกิจการอยู่ป่าเพื่อบาเพ็ญเพียรไม่ได้มีแก่พระราชาเลยตอนที่พระราชาสวรรคตนั้นพระพุทธเจ้าเสด็จออกจากกรุงกบิลพั์แล้ว พระนางมหาประชาบดีกราบทูลขอบวชครั้งที่หนึ่งถึงสองขณะที่พระพุทธเจ้าเสด็จประทับอยู่ที่คูตการศาลาป่ามหาวันกรุงเวสาลีแคว้นวัดจีพระเจ้าสุทธโธทนะก็ทรงทําให้แจ้งพระอรหันต์เป็นพระอรหันต์และสวรรคตพระพุทธเจ้าเสด็จกลับมาร่วมพิธีศพอถกถาเล่าว่าครั้งนั้น พระนางมหาประชาบดีทรงเกิดความว้าเวพระไทยจึงดำริทรงผนวดแล้วเสด็จเข้าเฝ้าที่นิโครทารามกราบทูลขอบวชเป็นบรรพชิตแต่ได้รับการปฏิเสธจากพระพุทธเจ้าถึงสองครั้งทรงเป็นทุกข์เสียพระไทยทรงกันแสงมีพระพักนองด้วยน้ำพระเนตรพระบาลีพระไตยปิฎก เล่าว่าพระนางกราบทูลขอบวชครั้งแรกที่วิหารนิโครธารามด้วยคำว่าขอประธานพระวโรกาสพระพุทธเจ้าค่าขอสตรีพึ่งได้ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตในพระวินัยที่พระตถาคตประกาศแล้วพระพุทธเจ้าตรัสห้ามว่าอย่าเลยโคตมีท่านอย่าชอบใจการที่สตรีออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิต ในพระธรรมวินัยที่พระตถาคตประกาศแล้วพระนางทูลขอแม้ครั้งที่สองแม้ครั้งที่สาแต่พระพุทธเจ้าก็ทรงตรัสห้ามเช่นเดิมทําให้พระนางน้อยพระไทยไม่ทรงได้รับอนุญาตทรงเป็นทุกข์เสียพระไทยมีพระพักนองด้วยน้ําพระเนตรทรงกันแสงถาวายบังคม กระทำประทักษิณและเสด็จกลับหลังจากนั้นพระพุทธเจ้าประทับอยู่อีกพอสมควรแล้วเสด็จไปตามลำดับถึงกรุงเวสาลีกราบทูลขอบวชครั้งที่สามครั้งที่สามอัตกคตาเล่าว่า เมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จออกจากเมืองกบิลพัทไปประทับที่เมืองเวสาลีพระนางจิงได้ให้คนตัดพระเกศาและนุ่งห่มผ้ากาสายะบ้างครั้นสดับข่าวว่าพระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมเทศนาชื่อกลรหะวิวาทสูตรแก่ลาวเจ้าสกยะห้าร้อยคนที่ริมฝั่งแม่น้ำโรฮินีและพวกเขาทั้งหมดได้ออกบวชเป็นภิกษุณี ดิกาพระวินัยว่าเจ้าสกยากุมารทั้งห0 0คนนี้ออกบวชในคราวที่หมู่พระญาติทะเลาะกันเรื่องน้ำทำรรนาพระพุทธเจ้าเสด็จไประ ง, งับข้อพิพาทแล้วแสดงธรรมชื่อตันตัทันทสูตรฝ่ายโกริยะได้ถวายพระโอรส250คนฝ่ายสกยะวงถวาย250คนรวมห้0อคน ละทิ้งพระชายาออกบวชเหล่าพระชายาก็ส่งข่าวขอให้ศึกทำให้ภิกษุห0 0รอรูปนั้นไม่ยินดีประพฤติพรหมจันทร์พระพุทธเจ้าจึงทรงพาทั้งหมดไปที่สะชื่อกุณาละทรงแสดงกุณาละชาดกให้พวกท่านบรรลุโสดาปติพล์ต่อมาทรงนำไปที่ป่ามหาวันและท่านเหล่านั้นได้บรรลุพระอรหันต์ทั้งหมด เหล่านางสาคิยานีผู้เป็นชายาของเจ้าสกยะเหล่านั้นจึงพากันเข้าเฝ้าปรึกษากับพระนางทำให้พระนางตัดสินพระไทยไปกรุงเวสาลีพร้อมด้วยเหล่านางสาคิยานีอดีตชายาของพวกเจ้าสกยะกุมารหอคนซึ่งได้ตัดเกสาและนุ่งห่มผ้ากาสายะคือผ้าย้อมน้ำฝาดเหมือนกัน พระนางได้พบกับพระอนนล์ทรงขอให้พระอนุล์ช่วยกราบทูลอ้อนวอนให้พระพุทธเจ้าอนุญาตให้สตรีได้บรรพชาอุปสมบทอัธกถาอัธกานิบาทว่าพวกเจ้าสกยะและโกรยะต้องการจัดส่งพวกนางไปด้วยวอทองแต่ถูกปฏิเสธเพราะเกรงว่าจะไม่เป็นการเคารพพระาศาสดา จึงเดินพระบาทเปล่าไกลหาอ็ดยอดท่านบรรยายว่าเวลานั้นพระนางมีพระบาททั้งสองพองมีพระวรกายเกลือกกลวดด้วยธุลีเป็นทุกข์เสียพระไทยมีพระพักนองด้วยน้ำพระเนตรได้ประทับ ย, ยืนกันแสงอยู่ที่ซุ้มประตูภายนอกท่านพระอานน์ได้เห็นพระนางแล้วถามว่า เหตุไรจึงมาที่นี่ในสภาพเช่นนี้พระนางตอบว่าเพราะพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ทรงอนุญาตให้สตรีออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตพระอานนท์กล่าวว่าดูก่อนโคตมีท่านจงรออยู่ที่นี่สักครู่หนึ่งจนกว่าอาตมาจะทูลขอพระผู้มีพระภาคเจ้าให้สตรีออกบวชได้ครั้งนั้น ท่านพระ อ, อ น, นุนเข้าเฝ้าแล้วกราบทูลรายงานขณะการมาของเหล่านางสากิยานีอันมีพระนางมหาประชาบดีเป็นประธานทูลว่าขอประทานวาโรกาดขอสตรีพึงได้ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตพระพุทธเจ้าค่ะพระพุทธเจ้าตรัสห้ามว่าอย่าเลย อ, อ น, นุนเธออย่าชอบใจการที่สตรีออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิต ในพระธรรมวินัยที่พระตถาคตรประกาศแล้วเลยแม้ครั้งที่สองแม้พระอนนทจะกราบทูลขอเป็นครั้งที่สก็ยังตรัสห้ามดังเดิมพระอานนทเป็นผู้ฉลาดในการกราบทูลทรงอนุญาตเพราะเห็นแกการบรรลุธรรม พระอนุนคิดว่าพระองค์ไม่ทรงอนุญาตแน่นอนแล้วเราจะขอโดยปริยายอย่างไรดีหนอจึงทูลถามว่าพระพุทธเจ้าขา่าสตรีเมื่อออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตในพระธรรมวินัยแล้วสามารถจะทำให้แจ้งโสดาปติผลสกิทาคามิผลในวงเล็บสกทาคามีก็เรียกอนาคามิผล หรืออรหัตผลได้หรือไม่รัสตอบว่าอานนท์ถ้าสตรีออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตสามารถทำให้แจ้งธรรมเหล่านั้นได้พระอานนท์กราบทูลว่าถ้าหากสตรีออกบวชเป็นบรรพชิตแล้วทําให้แจ้งธรรมเหล่านั้นได้พระนางมหาประชาบาดีโคตมีผู้เป็นพระมาตุจฉาของพระองค์ ทรงมีอุปการะมากทรงประคับประคองเลี้ยงดูถวายขียรัาราแก่พระองค์ครั้งพระชนนีสวรรคตขอพระองค์ให้พระนางบวชเถิดพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถามว่าดูก่อนอานนท้าพระนางมหาประชาบดีโคตมียอมรับครุธรรมแปดประการได้ข้อนั้นแหละจะเป็นการบวชของพระนาง คือครุธรรมแปดประการ 1. ภิกพิษุณีอุปสมบทแล้วแม้ร้อยปีต้องกราบไหว้ลุกครับทำอัญชลีกรรมสามีจิกรรมแก่ภิกษุที่แม้จะอุปสมบทในวันนั้นทำแม้นี้พิกษุณีต้องสักการะเคารพนับถือบูชาไม่ละเมิดตลอดชีวิต 2. ภิกษุณีไม่พึงอยู่จำพรรษาในอาวาสที่ไม่มีภิกษุทมแม้นี้ภิกษุณีต้องสักการะเคารพนับถือบูชาไม่ละเมิดตลอดชีวิต 3. ภิกษุณีต้องหวังทำสองประการคือถามวันอุโบสถหนึ่งเข้าไปฟังคำสอนหนึ่งจากภิกษุสงฆ์ทุ ก, ก์ก่งเดือนทำแม้นี้ภิกษุณีต้องสักการะเคารพ นับถือบูชาไม่ละเมิดตลอดชีวิต 4. ภิกษุณีอยู่จำพรรษาแล้วต้องปราวนาในสงฆ์สองฝ่ายโดยสถานที่สคือโดยได้เห็นหนึ่งโดยได้ยินหนึ่งหรือโดยรังเกียจหนึ่งทแม้นี้ภิกษุณีต้องสักการะเคารพนับถือบูชาไม่ละเมิดตลอดชีวิตห ภิกษุณีต้องทำหนักแล้วคือสังฆาทิเศษต้องประพฤติปักขมานัดในสงสองฝ่ายทำแม้นี้ภิกษุณีต้องสักการะเคารพนับถือบูชาไม่ละเมิดตลอดชีวิตหกภิกษุณีต้องแสวงหาอุปสัมปทาในสงสองฝ่ายเพื่อสิกขมานาผู้มีศิกขาอันศึกษาแล้วในธรรมหกประการครบสองปีแล้ว ทำแม้นี้พิกษุณีต้องสักการะเคารพนับถือบูชาไม่ละเมิดตลอดชีวิต 7. ภิกษุณีไม่พึงด่าบริพาดภิษุแม้ปริยายใดยปริยายหนึ่งทำแม้นี้พิกษุณีต้องสักการะเคารพนับถือบูชาไม่ละเมิดตลอดชีวิต8ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ปิดทางไม่ให้ภิกษุณีทั้งหลายสอนภิกษุเปิดทางให้ภิกษุทั้งหลายสอนภิกษุณีทาแม้นี้ภิกษุณีต้องสักการะเคารพนับถือบูชาไม่ละเมิดตลอดชีวิตดูก่อนอานอนท์ถ้าพระนางมหาปชาบดีโคตมียอมรับคารุษธรรมแปดประการนี้ข้อนั้นแหละจะเป็นอุปสมปทาของพระนาง พระนางมหาประชาบดีโคตมียอมรับคารุธธรรมแปเป็นภิกษุณีรูปแรกท่านพระอนนท์ทาความเข้าใจครุธธรรม8ประการแล้วออกไปพบพระนางชี้แจงว่าถ้าพระนางยอมรับครุธธรรม8ทํททั้งแดนั่นแหละจะเป็นการอุปสมบทของพระนางจากนั้นก็แสดงครุธธรรมแประการให้ทรงสดับจบแล้วพระนางตรัสว่า ข้าแต่ท่านพระอานนท์ข้าพเจ้ายอมรับคารุธรรมแปดประการนี้ไม่ละเมิดตลอดชีวิตเปรียบเหมือนหญิงสาวหรือชายหนุ่มผู้ชอบแต่งกายอาบน้ำสะเกล้าวแล้วได้พวงอุบลพวงมะลิหรือพวงลำดวนแล้วพึงประคองรับด้วยมือทั้งสองตั้งไว้เหนือเศียรเกล้าวฉนั้น บวชของภิกษุณีทําให้พรหมจันทร์ไม่ตั้งอยู่นานท่านพระอนุนกลับไปเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้ากราบทูลว่าพระพุทธเจ้าค่าพระนางมหาประชาบดีโคตมียอมรับการุธรรมแปดประการแล้วพระมาตุจฉาของพระผู้มีพระภาคเจ้าอุปสมบทแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า ดูก่อนอานน์ก็ถ้าสตรีจะไม่ได้ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตในพระธรรมวินยัยที่พระทถาคตประกาศแล้วพระมจร์จะตั้งอยู่ได้นานพระสัตธรรมจะตั้งอยู่ได้ตลอดพันปีแต่บัดนี้สตรีออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตพระมจร์จะไม่ตั้งอยู่นาน พระสัตย ธ, ธรรมจะตั้งอยู่ได้เพียงห0 0ร้อปีเท่านั้นดูก่อนอานนท์สตรีได้ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตในพระธรรมวินัยใดธรรมวินายนั้นจะเป็นพรหมจรรย์ที่ตั้งอยู่ไม่นานเปรียบเหมือนตระกูลเหล่าได้เหล่าหนึง่งที่มีหญิงมากมีชายน้อยตระกูลเหล่านั้นย่อมถูกพวกโจรผู้ลักทรัพย์กำจัดได้โดยง่าย อีกประการหนึ่งเปรียบเหมือนหนอนขยอกที่ลงในนาข้าวสาลีที่สมบูรณ์นาข้าวสาลีนั้นย่อมไม่ตั้งอยู่ได้นานอีกประการหนึ่งเปรียบเหมือนเพี้ยที่ลงในไรอ้อยที่สมบูรณ์ไรอ้อยนั้นจะไม่ตั้งอยู่นานดูก่อนอานนท์บุรุษกัน้นทำนบแห่งสะใหญ่ไว้ก่อนเพื่อไม่ให้น้าไหลไปแม้ฉันใด เราบัญญัติครุธรรมแปดประการแก่ภิกษุณีเพื่อไม่ให้ภิกษุณีละเมิดตลอดชีวิตฉันนั้นเหมือนกันอธิกถาที่บายว่าหากยังไม่ได้ทรงบัญญัติครุธรรม8ปประการพระสัตธรมจะตั้งอยู่ได้500ปีแต่เมื่อบัญญัติครุธรรม8ประการจึงทำให้พระสัตธรมตั้งอยู่ได้อีก5้0อปีรวมแล้ว ทำให้พระศัทธรรมดำรงอยู่ตลอดพันปีส่วนที่ว่าพระศาสนาจักอยู่ 5,000 ันปีนั้นท่านอธิบายว่าหมายถึงช่วงเวลาของการเกิดขึ้นของอริยบุคคลคือ 1,000 พปีที่สองมุ่งถึงความมีอยู่ของพระอรหันต์สุขาวิปัสสก์ในวงเล็บบรรลุพระอรหันต์ด้วยวิปัสสนาล้วน หนึ่นปีที่ส ม, มุ่งถึงความมีอยู่ของพระอนาคามีหนึ่พปีที่สมุ่งถึงความมีอยู่ของพระสกทาคามีหนึ่งพันปีที่หมุ่งถึงพระโสดาบันรวมความว่าในช่วงเวลา 5,000 ันปียังมีผู้บรร ล, ลุอริยมรรคอริยผลอยู่แม้พระปริยัติธรรมก็ทรงดำรงอยู่ห้าพันปีเหมือนกัน เพราะหากไม่มีปฏิเวท ธ, ธรรมการบรรลุ ธ, ธรรมก็แสดงว่าไม่มีพระปริยติธรรมที่ถูกต้องอยู่ทรงให้ภิกษุณีสงบวทให้หล่าวนางสากิยานีห้าร้อยคนจากนั้นพระมหาประชาบดีโคตมีเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้า ถวายบังคมแล้วยืนณนที่สมควรกราบทูลถามว่าหม่อมชั้นจะปฏิบัติในเหล่านางสากิยานีคือเจ้าหญิงวงศกยะพวกนี้อย่างไรพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงชี้แจงให้พระนางเห็นแจ้งสมาทานอาจหา ร, ราดเริงด้วยธรรมกถาแล้วพระนางก็ถวายบังคมทำประทักษิณกลับออกไป ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงถึงเรื่องดังกล่าวแก่ภิกษุทั้งหลายแล้วตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ภิกษุทั้งหลายอุปสมบทภิกษุณีครั้งนั้นภิกษุณีเหล่านั้นได้กล่าวกับพระมหาปชาบดีโคตมีว่าพระแม่เจ้ายังไม่ได้อุปสมบทแต่พวกเราอุปสมบทแล้ว เพราะพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบัญญัติไว้อย่างนี้ว่าภิกษุทั้งหลายพึงให้อุปสมบทภิกษุณีคือภิกษุณีสงให้เหล่านางสากิยานีอุปสมบทด้วยขั้นตอนอย่างไรท่านไม่ได้อธิบายไว้แต่มีผู้สันนิษฐานว่าด้วยการให้รับไตราสนารนาคมและรับครุธธรรมแปดด้วยซึ่งทําให้ภิกษุณีแพร่หลายรวดเร็ว จนที่พักไม่เพียงพอพระมหาประชาบดีโคตมีจึงเข้าไปหาพระอานนท์อภิวาทแล้วยืนกล่าวเล่าให้ทราบถึงความที่พวกภิกษุณีสงสยัยพระอนนท์จึงเข้าเฝ้ากราบทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนอานนท์พระมหาประชาบดีโคตมีรับคารุษธรรมแปประการแล้วในการใด พระนางก็ชื่อว่าอุปสมบทแล้วในการนั้นทีเดียว